ไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะในการที่จะจับจิตเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบั น, นธรรมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เผลอเมื่อไหร่เนี่ยคุณเผลอเมื่อไหร่มันไปอนาคตมันไปอดีตมันจะไปอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกเพราะพระพุทธเจ้าถึงถึงได้ให้คนเนี่ยพยายามฝึกอยู่กับปัจจุบันนะให้อยู่กับปัจจุบันจจบ น, น, นธรรมแต่คนเราเนี่ยมักไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเพราะเลยต้องฝึกนั่นเอง เพรันจะอยู่กับปัจจุบันได้ไงต้องมีสติดีๆต้องมีสติดีๆสติคือความรู้ตัวจะต้องมีการระลึกมีการรู้ตัวคอยตามจิตอยู่ตลอดคุณถึงจะอยู่กับปัจจุบันได้เพราะใครเนี่ยไม่คอยตามจิตเพราะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเพราะปัจจุบันคุณมันไม่ได้อยู่กับที่นะปัจจุบันเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันเคลื่อนไปเรื่อยๆพราะันทัก คุณเนี่ยเคลื่อนไปได้ตามสภาวะปัจจุบันได้คุณอยู่กับปัจจุบันได้แต่คุณเผลอไปแป๊บเดียวเนี่ยอ่ะคุณเผลอเฉยไปหน่อยเนี่ยคุณกลายไปอะไรละคุณอยู่ในอะไรละคุณเผลอหยุดไปหน่อยเนี่ยคุณหยุดก้าวไปหน่อยเดียวเนี่ยคุณอยู่ในพบอะไรคุณอยู่ในพบอดีตทันทีเลยถ้าคุณหยุดก้าวไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองคุณกลับไปอยู่ในอดีตเลยทันทีเลยคุณตามไม่ทันเน่ย บางทีจะใช่สำนวนว่าคุณตามโลกไม่ทันโลกมันมุนเงี้ยคุณตามไม่ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะทันโลกคุณต้องหมุนเร็วเท่ากับโลกคุณถึงทันโลกเพราะ้ถ้าคุณหมุนไม่ทันโลกคุณช้ากว่าโลกแหละอ่าแต่บางทีเป็นไงโอ้โหใจเร็วด่วนได้นะคิดใจร้อนไงคราวนี่ใจร้อนอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไป น, นั่นอยากไปนโน่นคิดไปก่อนแล้วไง ไอ้ความจริงเนี่ยเรียนอยู่ปนหนึ่งเองความจริงเรียนอยู่ปนหนึ่งหมคิดไปโตกว่า น, นี้จะเข้ามหาวิทยาลัย <c oughs> <c oughs> เรียนอยู่ปนหนึ่งแท้ๆนะเออไม่ศึกษาไม่อะไรของปอนหนึ่งให้มันดีอะ่ะนู่นไปละขึ้นปสองขึ้นปสามไปละไปเรื่อยเลยเออบางทีบางคนนะ่ะยังไม่ทันจะอะไรนะ่ะไอไอ ทำบริษัทเลยยังไม่ทันเอาเงินมาเอาของมาเข้าร้านเลยคิดไปแล้วโอ้จะต้องขายดีอย่างนั้นจะต้องขายดีอย่างนี้คิดไปใหญ่เลยนะโอ้โหคิดไปไกลเลยส่วนใหญ่คิดคิดแบบเข้าข้างตัวเอง น, นั้นนหะคิดว่าจะต้องขายดีไม่มีใครคิดว่าจะเจ๊งหรอก <c ười> ค, อคือคิดจะเจ๊งเดี๋ยวมันไม่มีกำลังใจใช่ไหม เาคิดมันขายดีโอ้โหรับรองเลยนะมันต้องขายดีแน่นอนคิดแต่มุมได้ในที่สุดก็เลยไปใหญ่เลยทำอะไรต่ออะไรโดยที่บางทีไม่ได้มองปัจจุบันของตัวเองจนกระทั่งบางคนก็เลยทำอะไรเกินตัวทาอะไรเกินตัวซึ่งคนที่ทำเกินตัวเนี่ยพังง่ายอยู่แล้วส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนทมันต้องพอดีตัวสิ คุณใส่เสื้อหลวมไปก็โอ้โหไม่สะดวกไม่สบายเลยเอมันลุ่มล่ามอะ่ะคุณใส่ฟิตเกินไปก็โอ อ, อึดอัดกูก็ต้องใส่มันพอดีพอดีจริงๆคาว่าฟิตฟเนี่ยมันแปลว่าพอดีนะใช่ไหมฟิตเนี่ยภาษาฝรั่งเนี่ยมันมันหมายความว่าพอดีพดีนะออแต่เรามาใช้กลายเป็นฟิตฟิตเนี่ยมันมันกลายเป็นมันคับไปแล้ว เราเราใช้ความหมายเ้าผิดไปแล้วนะเอาอันนี้พูดให้ฟังว่าให้เรารู้เข้าใจว่าโอ้โหนะในหม้อเดียวกันแท้ๆเนี่ยมันเป็นได้ยังไงเนี่ยข้าวแฉะข้าวดิบข้าวสุกอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันรู้ต้นเหตุให้ได้ว่าเหตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากคนไม่มีคุณธรรมนั่นเองอฝันเรื่องที่สิบเอ็ดขายแก่นจันแรก เปลียงเน่าเปรียงนี่มันเป็นอะไรนะเปลียนเนี่ยเออมันเป็นพวกน้ํามันเนี่ยแหละมันเป็นพวกอะไรที่เอามาใช้ไอ้บางทีจุดจุดไฟจุดอะไรพวกนี้นะหม่อมฉันเห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันแก่นจันนี่คืออะไรใช่ไม้หอมชนิดหนึ่งจริงๆแล้วนะก็คือไม้จันเองแหละใช่ไหมแต่ในี้น เป็นไม้อะไรเขาเขาเรียกเขาเลยเรียกว่าเป็นแก่นนะเอาแก่นของเอาแก่นของของไอ้ต้นจันทร์เนี่ยแหละมาก็ เ, าเลยเรียกแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนกระสาบไปขายแลกกับเปรียงเน่าอะไรจะเป็นผลของความฝันเรื่องนี้พระเจ้าค่ะเปลียงเน่าก็มีใครอยากใจนั่นแล้วไม่รู้นะั้นน้ำมันมันเน่าได้ไงอะ่ะพืชเป็นพืชเปรียง เปลียงเป็นต้นอะไรอ่ะเป็นต้นก่อนที่จะเออเามากันมาเป็นน้ํามันก็ได้อ่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่านะก็อะไรอ่ะโอ้โหเอาแก่นจันทแก่นจันท์ซึ่งราคาพูดง่ายราคาสูงราคาแพงไปแลกกับเปรียงเน่าได้ยังไงใช่ไหมครานี้ดูนะพระพุทธเจ้าจะพยากรยังไงไอเราเราก็โอ้โหให้เรามาตีความให้เรามาพยากรเราไม่รู้จะพยากรณยังไงนะ แต่ดูพระเจ้าท่านพยากรณมหาปพิธแม้ผลแห่งความฝันนี้ก็จะมีในอนาคตเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมแล้วเอาคนนี้โอ้โหยุคที่ศาสนาพุทธเสื่อมมากๆแล้วยุคจริงยุคนี้ก็ถือว่าเสื่อมแต่ว่ายังมีพุทธอยู่ยังไม่หมดอันนี้เสื่อมมากมากเนี่ยเหมือนถึงมาก โอ้โหแทบจะหมดหมดเชื่อของศาสนาพุทธเราไม่เอารูปแบบนะการที่จะพิสูจน์ว่าศาสนาพุทธเสื่อมไหมก็คือมีอริยาบุคคลได้ไหมถ้าไม่มีอริยาบุคคลได้แสดงว่าเสื่อมแน่เพราะเอาเอาคำสอนมาพูดเอาคำสอนมาบอกมันไม่ยากอะไรนี่อันนี้มันอยู่ไปได้เป็นร้อยวันพันปีหมื่นปีแสนปียังไงก็อยู่ได้ อยู่เป็นตำลับตำลาอะไรก็อยู่ได้จะเก็บเป็นอะไรอ่ะเป็นดิสเป็นอะไรคุณเก็บไปเิคุณจะอยู่เป็นกี่ล้านปีคุณเก็บไปเก็บไปให้อยู่ให้ได้แต่ที่ท่านบอกว่าเสื่อมนี่หมายถึงว่าคนเนี่ยเอาไปปฏิบัติลดละกิเลสตัวเองไม่มีแล้วมีแต่ภาษาพูดเออหรือว่ามีแต่เอามาใช้เป็นประโยชน์หากินเงินไปแต่ไม่มีมากผล นี่แหละคือความเสื่อมว่านตัวชื่อาศาสนาพุทธอาจจะมีอยู่นะตำแหน่งอะไรตารกก่างๆเรียกกันอย่างนั่นเรียกกันอย่างนี้แต่ความเป็นจริงคือไม่มีมากผลนี่คือความเสื่อมละเพราะจะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อาศาสนานั้นไม่สามารถทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสทําให้คนได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเมื่อทาไม่ได้าศาสนาไม่มีความหมายอะไร อ่ก็ก็คือปุถุชนนั่นเองอ่ะใช่ไหมละ่ะเพราะฉนั้เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยถ้าถึงยุคที่ศาสนาเสื่อมโทรมแล้วการภายหน้าพวกภิกษุอารัชชีพวกภิกษุอารัชชีหมายถึงภิกษุที่ที่หน้าด้านอา้าวอันนี้ใช้ภาษาไอ้นั่นเลยนะเขาใช้อย่างนี้เลยนะอารัชชีเนี่ยคือภิกษุที่หน้าด้าน ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องใช้หน้าหนานะ <laughs> ใช้หน้าด้านเออไม่ละอายไม่ละอายก็คือไม่มีฮีรีไม่มีโอตะป่าพวกนี้ยไม่ละอายแล้วก็กล้าทําชั่ว ท, ท, ท, ทั้งที่รู้อยู่<อ>เนี่ยคือพวกราชีเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทําผิดศีลบ่อยคือจริงๆเศีลมีอยู่ศีลมีอยู่แต่พูดง่ายๆไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติตามศีลเลยเพราะฉะนั้นก็ทําศีลผิดบ่อยผิดเป็นประจําเลย วันอันนี้หละเรียกว่าอรัชีนะพวกนี้จะไม่ดีถือว่าพวกภิกษุนี้ไม่ดีแต่พวกที่ดีเรียกอะไรพวกที่ดีอ่ะภิกษุพวกที่ดีเรียกว่าพวกพวกไม่ดีเรียกอะรัชีพวกที่ดีเรียกว่ารัชี <c ười> คือเอาอาออกไปซะเอาคำว่าไม่นี่ออกไปไม่ดีไง เพรเอาคำว่าไม่ดีออกเอาคำว่าไม่ออกไปก็จะเหลือดีเพราะฉพวกที่ดีเราจะเรียกว่ารัชชีอตอนนี้พระเจ้าท่านก็นบอกเนี่ยพอาศาสนาเสื่อมใช่ไหมก็จะมีเนี่ยพิกษู่พวกอรัชชีเนี่ยเป็นยังไงดูนะกล้าทำชั่ว ท, ท, ทั้งที่รู้อยู่คือเห็นแก่ปัจจัยคําว่าปัจจัยอย่าไปเข้าใจผิดคือเงินนะอย่าไปเข้าใจผิดนะเพราะปัจจัยนี่คืออะไร คือหมายถึงปัจจัยสี่เท่านั้นที่จริงแล้วเงินไม่ได้เป็นปัจจัยแต่คนทุกวันเนี้เขาเขาเขา้เขาใจผิดไปหมดแล้วคือเอาเงินมาเป็นปัจจัยด้วยแล้วยิ่งสําหรับนักบวชแล้วเนี่ยยิ่งเป็นพระแล้วเงินไม่ใช่ปัจจัยเงินเป็นวัตถุอนามาตโดยซ้ําไปหมายถึงว่าพระเจ้าเปรียบเป็นอสรพิษโดยซ้ําไปเป็นปัจจัยที่ไหนเล้วปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าเป็นสิ่งสําคัญ ปัจจัยเนี่ยแปลว่าสิ่งสำคัญที่จะมาให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีเงินคุณมีชีวิตอยู่ได้ไหมเอาได้ไม่มีข้าวกินไม่มีใครมาให้ข้าวกินตายในที่นี้เนี่ยเพราะนั้นเราเข้าใจปัใจจัยให้ได้นะว่าจริงๆเราหมายถึงปัจจัยสี่ฮวันพิกสูพวกเนี่ยเห็นแก่ปัจจัยสี่แต่ถามดูว่ายุคพระเจ้ามีการใช้เงินอยัง แมก็บอกว่าเอาแก่นจันแก่นจันทเนี่ยราคาตั้งแสนกระสาบแม่กษะสาบไม่ใช่เงินเลยถ้าเปรียบเป็นเงินเนี่ยแสนกระสาบก็เท่ากับสี่แสนบาทถ้าเปลียบเป็นเงินนั่นตอนนี้ก็ปรากฏว่าภิกษุเนี่ยรู้อยู่นะว่าจริงๆแล้วไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเงินทองอมีข้อห้ามอยู่แล้วพระเจ้าห้ามไว้อยู่แล้วไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง แล้วก็ไม่ควรเห็นแก่โลภะโลภเห็นแก่พวกปัจใจสี่พวกนี้แต่ปรากฏว่าทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่เนี่ยก็ยังขี้โลภยังจะเห็นแก่ปัจใจสี่ปัจใจสี่ของพระมีอะไรบ้างอะเสื้อผ้าก็คืออะไรจีวอนเสื้อผ้าก็คือจีวออาหารก็คืออะไรอาหารก็คือบินทบาทนะถ้าถ้าพระเป็นพระนะก็คือบินทบาทอ่า ที่อยู่ก็เนีพวกอะไรกุติหรืออะไรต่างๆอะนะที่อยู่หรือหรือเราใช้คําว่าเสนาสนานะที่อยู่อ่ะยาก็กีฬานะปัจจัยอะไรพวกนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเป็นก็เพสัชอ่าเป็นพวกนี้นอาเสรตอนี้ปรากฏว่ายังขี้โลบปัจจัยสี่แล้วพวกพิกษุน์เหล่านี้จะมีจํานวนมากคือพูดง่ายๆพวกพิสูุดีๆเนี่ยจะมีน้อยละเหลือน้อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ไปในทางไม่ดีกันหมดแล้วแล้วปรากฏว่าพวกพวกอรชีจำนวนมากเนี่ย<ม>ก็จะพากันแสดงธรรมเทศนาของตถาคตที่กาวติเตียนความละโมบในปัจจัยทั้งหลายแก่ผู้คนสอนด้วยนะสอนเขาว่าขี้ลบไม่ดีอะไรอีกกินเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีอะไรไม่ดีกันนะอะไรไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยอ เงินทองไม่ดีนะสําหรับพานะะเอแต่สอนอย่างนี้คือสอนอย่าไปขี้โลภเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะปัจจัยทั้งสี่ไม่อาจพาให้พ้นทุกมุ่งตรงสู่นิพพานได้สอนนี่คําสอนถูกต้องไหมคําสอนถูกต้องเพราะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเพราะคําสอนนี่ดีคําสอนนี่ถูกต้องแต่จริงๆแล้ว คนทั้งหลายได้ฟังธรรมด้วยภาษาและสำเนียงอันไพเราะเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพาพวกนี้ไม่มีมรรคผลเลยแล้วก็ไม่ได้ทำตามสอนด้วยสอนคนอื่นอย่าโลภแต่ตัวเองจริงๆแล้วโลภแต่สอนคนอื่นว่าอย่าโลภนะทำไมต้องสอนอย่างนั้นอ่าเพราะสอนอย่างนั้นแล้วต่างนะพวกพวกพวกคนฟังเนี่ยโอ้โหท่านสอนได้ดีมากเลย เพราะันต่างก็ถวายปัจจัยอมีค่าแก่ภิกษุเหล่านี้ท่นที่สอนอย่างดีเนี่ยต้องการลาบยศสรรเสริญสุขอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วยังไงก็โอ้โหได้ลาบไม่ใช่ได้ลาบได้ก้อยนะได้ลาบได้เงินทองได้อะไรเข้าของมาเยอะแยะมากมายตอนนี้แล้วยังมีภิกษุอารัชชีบางพวกยังมีอีกพวกหนึ่งนะอารัชีมีตั้งหลายอย่างเนี่ย บางพวกพากันไปนั่งตามข้างถนนสี่แยกและประตูวังแล้วแสดงธรรมของตถาคตแลกลูปิยะแลกลูปิยะคือเงินทองเงินเองแค่แค่เหรียญกรสาบหรือครึ่งกรสาบเท่านั้นคือพูดง่ายว่าโอ้โหหมดศักดิ์ศรีมากเลยพวกอารัธีบางพวกเพราะจริงๆก็บอกแล้วไม่มีมรรคผลอะไรนี่เพะนั้นไม่มีความ มั่นใจไม่เชื่อว่าธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเลยเพราะคืนไอ้นั่นต่อไปอดตายไม่เชื่อว่าจะมีคนมาทำบุญจะมาช่วยเหลือเพราะนั้นยอมไปตามที่ชุมชนนั่นเองเนี่ยช้สำนวจนไปข้างถนนไปสี่แยกไปประตูวังจริงๆแล้วหมายถึงสถานที่ที่มีคนอยู่มากๆอถ้าเดี๋ยวนี้ก็อะไรไปตามใบรถเม ไปตามอะไรอะ่ะสนามหลวงเออไปศูนย์การค้าไปอะไรอ่ะที่มีคนเยอะเยอะไปเสร็จแล้วยังไงสแสดงธรรมของตาถาโคตรอีกแล้วคือเอาคำสอนดีๆเนี่ยแหละไปพูดเพราะเอาผิดๆไปพูดไม่ได้ทีก็ต้องเอาที่ถูกๆเนี่ยไปพูดแต่พูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเหมือนเหมือนวันิพกเลยวันิพกเขาก็อะไรเดี๋ยวนี่ยเขา เขาห้อยลําโพวงนะเสร็จแล้วก็ก็ร้องใช่ไหมร้องไปร้องเพลงอ่ะเขาเขาเขาเปิดไอทํานองนะบางคนเขาไม่มีเครื่องเล่นอะไรเขาก็เปิดซาวอ่ะเปิดเสียงดนตรีแล้วก็ก็ร้องเออแล้วก็คนก็เอาเงินมาให้เนี่ยภิกษุอรัตชีพวกนี้ทําเหมือนกับขอทานละไปแลกแค่อะไรเนี่ยแค่เหรียญกษะสาบหรือครึ่งกษะสาบเนี่ยคือแค่อะไร แค่สี่บาทบ้างแค่สองบาทบ้างคือเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะก็การที่เอาธรรมที่ตถาคตแสดงไว้อันมีค่าควรแก่นิพพานไปแสดงแลกปัจจัยหรือเงินตราเป็นเสมือนเอาแก่นจันทร์ไปขายแลกเปยียนเน่าฉะนั้นภัยแม้ความฝันนี้เป็นเหตุก็ไม่มีแก่พระองค์เลยเพราะไม่เกิดในยุค ข, ของพระองค์แต่จะเกิดในการอนาคต โอ้โหดูผู้เจ้าเปรียบดิเปรียบไปไกลถึงขนาดนั้นได้เวลาแล้วว <c oughs> <c oughs> ันที่ได้แค่สามข้อเหรอ <c oughs> โอ้โหตรงแต่ปุ่มนี้ต้องให้จบแล้วเนี่ย